ภิกษุผู้ประพฤติมานัตศึกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังประพฤติมานัตศึกเสียการประพฤติมานัตของภิกษุผู้สึกแล้วนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ปริวาสที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วมานัดที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วมานัดที่ประพฤติแล้วเป็นอันประพฤติดีแล้วพึงประพฤติมานัดที่เหลือต่อไป